มารักษาศียงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเป็นการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะจิตใจของเราเป็นนามธรรมาสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับใจ ก็ต้องเป็นนามธรรมาเช่นเดียวกันถ้าเป็นวัตถุธรรมเช่นลากยศสรรเสริญสุขก็จะไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ทำให้จิตใจร่มเย็ยนเป็นสุขแต่กลับเป็นตรงกัดข้ามจะทำให้จิตใจมีความรูมร้อนมีความทุกข์มีความ ววายใจเนื่องจากวัตถุนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่จะต้องพัดพาจากใจไปในที่สุดแต่เนื่องจากใจที่มีความหลงครอบงำจึงหลงคิดว่าการมีวัตถุสิ่งของ มีบุคคลต่างๆมาเป็นสมบัติไว้เฉยชมจะให้ความสุขกับตนเพื่อก็เลยกับต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆเนื่องจากความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่กับตนไปนานๆอยู่ไปตลอดเวลาให้ความสุขกับตนตลอดเวลา แต่ความจริงของธรรมชาติของวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเขาไม่ได้เป็นคงเส้นคงวาเหมือนเดิมเขาต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาเขามีความเจริญและเขามีความเสื่อมเป็นธรรมดาเมื่อความจริงกับความปรารถนาของใจนั้นไม่ตรงกันก็เกิด ความทุกข์ขึ้นมาความผิดหวังขึ้นมาความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระราชกุมารทรงอยู่ถ้ำกลางวัตถุเข้าของต่างๆเป็นจํานวนมากทรงรู้ทรงเห็นเพราะทรงพิจารณาทรงคอยสังเกตดูพระทัยของพระองค์อยู่ตลอดเวลาก็าเห็นว่า พระไทยของพระองค์นั้นไม่ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่กลับมีความรุ่มร้อนที่เกิดจากความวิตกกังวลเกิดจากความห่วงความหวาดกลัวต่อการพัดลากต่อการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปและทรงได้เห็นความสุขที่ได้จากความสงบของจิตใจ พงศเมื่อได้เห็นทั้งสองสิ่งแล้วจึงสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็ทรงเห็นว่าการมีทรัพย์สมบัติมีราบยศต่างๆนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแต่กลับเป็นความทุกข์สีมากกว่าแต่ความสงบของจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่จิตใจได้อย่างแท้จริงเพราะว่าความสุขของจิตใจหรือความสงบของจิตใจนี้ไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขของใจนี้ก็อาศัยใจนี้เองเป็นที่ เป็นที่ให้ความสงบให้ความสุขใจก็เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนใจนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตายไม่เกิดไม่ดับที่เปลี่ยนแปลงอยู่ก็เพราะอารมณ์ในใจนั้นเปลี่ยนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆจึงทําให้ใจนั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกขเวลาที่วุ่นวายใจเวลาที่ฟุ้งซ่าน ก็มีความทุกขเวลาที่สงบก็มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจและการที่จะทําให้ใจมีความสุขก็ต้องรู้จักควบคุมจิตใจให้ผลิตแต่ความสุขออกมาไม่ให้ผลิตความทุกข์ออกมาสิ่งที่ผลิตความสุขและความทุกข์ของใจก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าคิดไปในทางที่เป็นไปตามความจริงใจก็จะสงบถ้าคิดไปในทางที่สวนทางกับความเป็นจริงใจก็รุ่มร้อนใจก็วุ่นวายดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจเราเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสด้วยเช่นบุคคลต่างๆเช่นเข้าของต่างๆ ในโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรว่าเขาเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่าเขาเป็นเขา เ, เขาอยู่อย่างค ง, งเส้นคงวาเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปล่าหรือเขาเปลี่ยนไปเรื่อยให้สังเกตดูให้ศึกษาดูเพราะถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้เห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษา เราก็จะคิดอยู่เรื่อยว่าเขายังเป็นสิ่งเดิมอยู่คงเส้นคงวาอยู่แต่ความจริงเขาเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นร่างกายของเราถ้าเราสังเกตดูเมื่อสักสิบปีก่อนกับวันนี้เราจะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นมันเป็นคนละร่างกันเป็นเหมือนคนละคนกัน แต่ถ้าเรามองดูกระจกทุกวันนี้เราจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแป ล, ป ล, ปลงในแต่ละวันนี้มันใช้เวลามันเปลี่ยนไปไม่มากเปลี่ยนบ้างเล็ ก, ลกๆน้อยๆแต่ไม่ผิดสังเกตไม่เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายรูปของเราไว้เมื่อระยะสักสิปีหรือย0ปีก่อนแล้วเราเอารูปที่เราถ่ายนั้นมาดูกับ ความจริงของเราที่เป็นอยู่ในวันนี้เราจะเห็นว่าเรากับรูปที่ถ่ายนั้นคนที่อยู่ในรูปถ่ายนั้นเป็นเหมือนคนลรคนไปเลยแต่ใจของเราก็ยังยึดติดว่าเป็นคนคนเดียวกันเราก็จะคิดอย่างนี้ไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีครอบครองอยู่เป็นสมบัติของเราพอวันดีคืนดีเขาต้องเปลี่ยน เขาต้องดับไปเขาต้องจากเราไปเขาต้องเสียไปเราก็ทําจิตทําใจกันไม่ได้เพราะเราคิดว่าเขาจะจะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาเพราะถ้าเราศึกษาเห็นความจริงแล้วความคิดของเราก็จะไม่ฝืนความจริง เช่นเราจะคิดเสมอว่าร่างกายของเรานี้จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะต้องตายไปเช่นเดียวกับร่างกายของทุกๆคนที่เรารู้จักที่เราเกี่ยวข้องด้วยร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนของเราก็ต้องมีอาการความแก่ลงไปเรื่อยๆตามเวลาของเขาและในที่สุดเขาก็จะต้องดับไป ใจของเราก็จะไม่คิดอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆก็จะคิดว่าก็อยู่ไปตามสภาพตามเท่าที่เขาจะอยู่ได้เขาอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะไม่คิดเสืนความจริงและเมื่อไม่คิดเสืนความจริงแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่หวาดกลัวไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวล เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นเจ้าของอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆบ้านช่องรถยนต์หรืออะไรก็ตามทุกสิ่งก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันคือเวลาที่เราได้มาใหม่ๆก็ดูครบถ้วนบริบูรณ์ดีแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆชำรุดลงไป และในที่สุดมันก็จะต้องพังไปใช้การไม่ได้หรืออาจจะจากเราไปก่อนโดยที่เราไม่ได้คาดฝันก็ได้อาจจะมีอุบัติเหตุมีอุบัติภัยหรือมีโจรผู้ร้ายมาพัดภาคสิ่งต่างๆของเราไปก็ได้ซึ่งเราก็สามารถศึกษาได้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เราเปิดดูหนังสือพิมพ์เปิดฟังวิทยุฟังข่าวเราก็มักจะได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอเพียงแต่ hmm. ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่ได้เอามาพิจารณามาสอนใจเราเราฟังแล้วก็ปล่อยให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปใจของเราก็ยังคิดแบบเดิมๆอยู่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะต้องดีจะต้องคงเส้นคงวา เสมอไปแต่ลึกๆอยู่ในใจเราก็รู้อยู่ว่ามันก็ไม่แน่นอนเสมอไปมันก็ทำให้เรามีความวิตกมีความกังวลแต่ถ้าเราศึกษาจนถ่องแท้แล้วว่ามันจะต้องเกิดแน่ๆไม่ว่ากับใครกับเราก็ต้องเกิดกับผู้อื่นก็ต้องเกิดเมื่อเรารู้อย่างแน่ชัดแล้วเราก็จะไม่วิตกไม่กังวลเพราะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าศึกษาแล้วจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายต่างกับคนที่ไม่ศึกษาจะทุกข์และจะวุ่นวายใจทั้งๆ ท, ที่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่คนที่ศึกษาสอนใจอยู่ตลอดเวลาจนไม่ลืมจากจากจิตจากใจ ใจรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจแต่คนที่ไม่คอยสอนไม่คอยเตือนใจไว้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะมีความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรที่มันเหมือนกับมาเตือนสติเช่นเราได้ข่าวว่าคนนั้นตายไปคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วย เข้าโรงพยาบาลต้องรักษาเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจขึ้นมาและเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่อยากให้มันเกิดแล้วก็เลยพยายามลืมลืมมันไม่อยากจะคิดมันพอคิดมันแล้วทำให้รู้สึกไม่สบายใจถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นการคิดที่ไม่ถูกไม่ใช่เป็นความคิดที่ควรจะคิด เราควรจะน้อมเอาเหตุการณ์ต่างๆของผู้อื่นที่กาลังเกิดขึ้นกับผู้อื่นนั้นมาคิดกับตัวเราเองว่าเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไปงานศพเราก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันว่าเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นอย่างนี้บางวัดนี้เขามีโครงกระดูกแขวนไว้ที่ศาลาแล้วก็ เ, เขียนป้ายไว้ว่า เราคือเราคืออนาคตของคุณคุณเป็นอดีตของเราความหมายก็คือว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นโครงกระดูกแขวนอยู่ตามศาลาเหมือนกับเขานั่นแหละหรือถ้าไม่แขวนก็คงจะเอาไปเผาเอาไปรอยอังคารไปเท่านั้นเองแต่ความจริงก็เหมือนกันว่าในที่สุดร่างกายของเรามันก็จะต้องกลายเป็น ซากสดกลายเป็นโครงกระดูกไปการที่เราเห็นภาพเหล่านั้นมันจะเป็นการเตือนใจเราเตือนสติเราให้เราพยายามรัะลึกถึงอยู่เรื่อยๆอย่ากลัวความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้เป็นโทษกับเราสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษกับเราก็คือ ความกลัวที่จะคิดถึงเรื่องราวล่านี้มันเป็นความหลงเพราะความหลงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นความหลงอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะมีอายุยืนยาวนานอยากจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดเวลาซึ่งมันเป็นความหลงเพราะมันไม่ตรงกับความจริงความจริงนี้มันจะต้อง เป็นอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่เห็นเห็นกันอยู่เพียงแต่ว่าเรายังรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเราไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอาวุธปืนมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเวลามีความจำเป็นจะต้องใช้อาวุธก็ไปหามันมาใช้ไม่ทันเวลาเกิดมีผู้ที่เขาไม่ประสงค์ดีคิดจะมาทำลายเรา ถ้าเราไม่มีอาวุธปืนใกล้มือเราก็จะไม่สามารถป้องกันตัวเราได้กว่าจะไปหาปืนได้ก็อาจจะถูกเขาฆ่าไปก่อนเสียแล้วเช่นเดียวกับธรรมะก็เป็นเหมือนอาวุธปืนธรรมะนี้คือปัญญาเป็นเป็นเครื่องป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ได้คอยคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนุนว่าอานุนเธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเธอถึงจะมีปัญญาเธอถึงจะรู้ทันความจริงถ้าเธอไม่พิจารณาแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอก็จะเผลอไปพอเพะเผลอแล้วพอเกิดเหตุการณ์ ไม่ดีเกิดขึ้นมาเธอก็จะเกิดความหวาดวิตกเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแร ง, ง, งเช่นคนบางคนที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปยังไม่ได้เสียร่างกายของตนไปเพียงแต่เสียสิ่งที่ตนรักไปก็เกิดความทุกข์จนทนอยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายไปนี่แสดงว่าไม่มีอาวุธไว้ป้องกันตัว ถูกความหลงหลอกให้มาทำร้ายชีวิตของตนเองแต่ถ้ามีปัญญาเป็นอาวุธคู่ใจแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจจะไม่ ส, มสะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดพร้อมที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้และรู้ด้วยว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆนั้นเป็นเพียงสมบัติที่ใจมายึดมาติดมาครอบครองเท่านั้นเองแต่เวลาเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับใจเพราะใจนี้ไม่สามารถมีอะไรไปทำลายมันได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจได้เพราะใจไม่ได้เป็นวัตถุใจเป็นนามธรรมาเหมือนกับเราไม่สามารถทาลาย ความว่างเปล่านี้ได้เราทำลายได้แต่ตัวเฉพาะตัวอาคารหลังนี้แต่ความว่างเปล่านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจยหลังจากที่เราทำลายทุบอาคารหลังนี้ทิ้งไปแล้วความว่างเปล่ามันก็ยังมีอยู่ของมันอย่างนั้นใจของเราก็เหมือนกับความว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายมันได้มีแต่ความหลงเท่านั้นที่จะหลอกให้มันทุก ให้มันเดือดร้อนให้มันวุ่นวายใจได้เท่านั้นเองเราจึงต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามากาจัดความหลงที่หลอกสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้นั่นเองเมื่อเรามีปัญญาแล้วใจของเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ทรงพิสูจน์มาแล้วจนสามารถ อยู่ยามปกติสุขได้ท่ามกลางภัยต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดกับพระพุทธเจ้าพระทัยของพระพุทธเจ้านี้จะนิ่งสงบไม่มีอาการหวั่นไวหวหวา ก, กลัวไม่มีความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทตต่อต่อผู้ใดเลยแม้จะถูกบังร้ายด้วยวิธีการต่างๆก็ตาม แต่พระทัยของพระองค์จะไม่มีอาการอะไรเลยจะอยู่ในอุเบกขาตลอดเวลาเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจะมอบให้กับพวกเราด้วยการสอนให้พวกเราทำบุญให้ทามรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม เพื่อเราจะได้เกิดปัญญาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราถูกความหลงหลอกให้ยึดติดให้คิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษว่าจะให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วมันกลับเป็นตรงกันข้ามกันสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ล้วนเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเรามีอะไรเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้น มีบ้านก็ต้องทุกกับบ้านมีรถยนต์ก็ต้องทุกกับรถยนต์มีเงินก็ต้องทุกกับเงินมีอะไรก็ตามมีสามีมีภรรยามีลูกก็ต้องทุกกับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกเนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำให้ได้คือเราต้องปล่อยวางเราจะต้องตัดใจของเรา ไม่ให้มีความหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหมดเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปถ้าเรามีปัญญาเราได้ศึกษาและได้สอนใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่กับเขาไปได้อย่างมีความสุขความตัดใจนี้ไม่ได้หมายความว่าให้แยกกันแยกทางกันอยู่ แต่ให้แยกทางด้านความกังวลไม่ต้องกังวลอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดความกังวลนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจแต่อย่างใดแต่เป็นโทษเรามีหน้าที่อะไรที่ต้องดูแลกันเราก็ดูแลกันไปเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะทำอะไรได้ เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรามีปัญญาที่รู้ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถยับยั้งมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังยับยั้งความตายของพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็ต้องตายเหมือนกับพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าการตายของท่านนั้นต่างกับพวกเรา ท่านตายอย่างเป็นสุขท่านอยู่อย่างสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ได้ยึดติดกับร่างกายไม่ได้ถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวของท่าน cũ, ไม่ได้เป็นตัวเราของเราพวกเราต่างกับท่านตรงนี้พวกเรายังหลงยังไม่เห็นว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่ง แต่ใจยังหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่พอร่างกายนี้มีความจำเป็นที่จะต้องจากกันใจก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในความสงบได้กว่าจะตั้งหลักได้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนเช่นเวลาที่เราสูญเสียคนที่เราลากไป ว่าที่เราจะกลับมาอยู่อย่างปกติได้เราก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วยิ่งถ้าเป็นร่างกายของเรายิ่งแทบจะไม่สามารถที่จะทำใจได้เลยนอกจากว่าถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังพรอธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและเคยนำเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราจะต้อง แยกออกจากร่างกายเราเราก็จะพอทำใจได้จะทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าเราคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆมากน้อยเพียงไรและเราเอาไปทดสอบใจของเราได้ได้บ้างหรือเปล่าเช่นเราอาจจะไปอยู่ตามสถานที่น่ากลัวต่างๆ ที่เราคิดว่าอาจจะมีภัยเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วลองดูว่าถ้ามีอะไรมาใกล้ตัวเราใจของเรานั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านนี่เป็นการทดสอบใจทดสอบธรรมะทดสอบปัญญาเช่นพระป่าพระทุดโฎนั้นที่ท่านไปอยู่ในป่าในเขา ส่วนหนึ่งก็คือท่านต้องการไปทดสอบจิตใจของท่านทดสอบปัญญาว่าจะทันจะเร็วกว่าความหลงที่จะหลอกให้ยึดติดกับร่างกายนี้หรือเปล่าถ้าปัญญาเร็วกว่าความหลงปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายเมื่อปล่อยวางใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งไม่หวั่นไหวถ้าไม่ทันกิเลสไม่ทันความหลง ใจก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นม า, ท, าทันทีนี่แหละคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือจิตใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขามีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ และในขณะที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปหรือในขณะที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปหรือบุคคลต่างๆไปเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่ทําให้จิตใจของเราทุกข์ระทมใจเลยถ้าเรามีปัญญามีธรรมะถ้าเรามันปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ขอให้เราควรเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยินดีไปหลงติดอยู่นั้นล้วนเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งสิน้นเราไม่ควรที่จะไปยึดติดเราควรที่จะอาศัยมันเท่าที่จำเป็นเช่นเรายังต้องอยู่ต้องมีอาหารรับประทานกัประทานไป มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้ใส่ก็มีไปแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงๆขอให้มันทำหน้าที่ของมันได้ก็พอเพื่อจิตใจของเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการแสวงหาแล้วก็ต้องมาคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษา ถ้าเราทำอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่นิ่งไม่สงบถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราเอาเท่าที่จาเป็นหรือถ้าว่ามันขาดบ้างก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีอาหารอาหารของใจก็คือธรรมะนี่เองคือบุญกุศลที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะทำไม่มากพอ ใจของเราจรึงไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรถ้าเราทำให้มันมากแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความสงบมีความมั่นคง ม, มีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญบุญกุศลนี้ให้ท่านได้นำไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุสลพจนบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันะสุขะภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ